เออ ตัาสติให้เลก้ยเพื่อเพื่อนันแหละเพื่อนั้นเยรพยายาสติใครใคัใครปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้ความสำเร็จใครขี้เกียจไม่ใครัมสติี้เียตั้งสติขี้เกียจฝึกสติมันก็ยาก คคทำอะไรก่นไม่ค่อยไปเริ่อากตัต้งใจทำเอาเข้าใจแล้วนะอ่านะปางนะสติเราคนใดไปเรื่แล้วทำได้มากแล้วย่อมได้เจตุกิจุผลจากขนันหันถือ ว, ว่าสมาธิคงได้เจตุปัญญาเนะม่คิดออกจากสมาธิ เกิดปัญญาหลุดลหลุดลจากนันไม่ใช่หลุดลจากเก็ินอาสาวที่บรรลุเป็นพระันในชาตินี้ทำลมในอาณาปานปานสติอย่างเดียวช่วงขณะที่เราเก็กินคุมกินจับกินถูกกินจิบก้ององจดิ้นลมเกาะกอเยีงไร อยา่ยาอย่มามันจะิไปตั้งสติใหม่ตั้งสติม่มันก็ิไปอพอมีจะลบไม่ใช่เยอะตั้งสติอยู่นเพียนเลยเพียนควพยายามที่มันกน า, า, ากสัตว์จกสัมามาามขอ ง, องเราเปนสัตว์ป่าไม่เคยไม่เคยนโมาม่ ดิ่ h สะบ่าท e ั้งร้องทั้งดิ่งทั้งแสดงจินยาอาการมาจนหมดฤทธิ์หมดรงสติดีชือกดีผูล้วมันไปไหนไม่ได้กมอเฝ้ากันกินข้าวลอเหมือนกันถ้าสติดีสติปล่ยนเท่านั้นเชื่อลมหายใจ่ยนเทันหลัินเลี้ยเปลี่ยนันสะบ่าสัตว์ในู แล้วก็จับแอ่คล้องฟูกมาใส่หนักเอาไว้ถ้าเชื่อดีเชื่อไม่ขาดไม่ไปจากตึละไม่โคนไม่ลมมันก็สัตวมันก็วิ่งหนีไปไหนไม่ได้พอมอเข้าแล้วก็สามารถถูกอาจิตไปทางจับจิตไปที่ใเมื่อได้จิตเห็จิตแล้วเราถึงจะลงจิตเราถึงจะใช้จิตได้ถ้าไม่เห็นจิตจะค้อง ไม่โอบจิตไม่อยู่จากจิตไม่ได้เราจะไปสอนเองไปอบนมเราจะเอาอะไาใช้พอใช้จิตท้องนองโอบลงจิตฝึกจิตฝึกกันแต่ิบบเหอนกับเช้าเลยเช้านานจะเอาลมไปหไปสาวาจะผูขอมาผูสวนตะร่ับมาเรียน กินยากินน้ำดูดคํางได้จับให้มันเชื่อมคือให้มันอยู่เอาไปมามันเชื่อมันอยู่แน่วไม่รู้จะเชื่อมแต่อะพทีจะเวัวอเอา้ใส่ใส่ใส่เปลียนใส่ไใส่ผ้าใส่ส่อนได้ถือมันใส่ผ้าใส่ไ ใส่เลยเทน่าทำประโยชน์ให้เราได้ใส่ล้อใส่เพียรลาเขียนทำประโยชน์ให้เราได้จิตของเราเหมือนกันถ้าจับไ่ได้ปลไม่ได้จะเอาไรมาสอนเอาอะไรมาเอาอะไรมาใช้งการววับถ้าจับไม่ไปลไม่ได้จะเอาอะไรมาสอนจิตก็เหมือนกัน จิตมันง้ออยู่จิตเป็นผู้รู้ก็กินอยู่มันรู้แต่สมมติมันจำเอาตั้งแต่สมมติเรียนแแต่สมมติมาไวมันง้ออยู่มันหลงมัดูมันกนแล้วฉัเอาจิตมาสอนเอาจิตเอาใครมาสอนเอาจิตสอนจิตมาอบรมจิตจิตมาทำให้จิต เกิดกัญญา ม, ม, มันลองอูนี่หนแหละเราเข้าสมาธิทำทํารู้จักความหมายการเข้าสมาธิที่เรียกว่าสมาธิเป็นการพกักจิตหยุดไม่ให้จิตคิดในอดีตอนาคตไม่ให้จิตทํางานจิตทํางานคือจคิดจิตของเราทํางานเป็นรอปันตลรอไปนนอกจากเรื่อง ไม่ได ok, ้ยู่ิเ้ยจีอกันสัมปตความเชื่อเกีกับดเกวับาสังเกตเมื่อตากระพกร่จมันกิดผ็มันกทํางานสวยอรมรืงอนนจอารมณ์ได้อเรว่าสัญญาของมันนาอารมณ์สั้นาไปประกอบจีบก็เรื่อว่าสั้นทักจ เนื้อเคล็บปูแต่งเราก็เยอะเรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่องทางตามาเรื่องทางหูมาจิตก็ท ง, งานเรื่องทางจมูกามาทางจิตก็ท ง, งานหรือความสุขเกิดขึ้นเรื่องเก่าเรื่องก่อนดขึ้น อ, อกไ่สั่งคิดถึงอันนั้นอันนี้จิตก็วิจัยวิจารเรื่องนั้นปูแต่เรื่องนั้ น, แ, น, นแล้วก็ดับ มันจะมุนกันอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลานอนหลับเวลานอนหลับมันจะมองฝันอยู่มันนะการฝันนี่แหละการเข้าสมาธิคือการพักกิตยุดจิตเขาเรียกว่าเข้าเขาวางให้จิตเข้าเขาวางเขาวาแล้กจิตหยุดทางานจิตปลดล็อกอารนเนี่ยเขาเขาวัดตื่นจากเขาวางคนเรียกวเข้าวัด เขาวัดว่เอะไรวะวิธีเขาว่าเรียกว่าพบจิตเกิดพบหนึ่งจิตทางานก็เรียกว่าวิธีจิตจิตหมดช่วงระยะเวลางานอารมณ์นี้นะจิตก็เข้าก็วัดเขาวาเข้าจิตออกอารมณ์ไหลเข้ามาฐานทวารใจทวารหัวทวารมากระทบจิตจิตก็กระเพื่อมออกรัอารมณ์เรียกว่าออกจากตัว เขาเรียกว่า hmm. วันานึ so so, feels, ่งเรียกว่าพเป็นพหนึ่งเกิดพหนึ่งไปเป็นวิธีวิธีเศรษกิจทำงานกิจเจริอารมณ์พิจารณอารมณ์ตัดสินอารมณ์น้อมเอออารมณ์เอาไว้ในจิตใจเข้าว่าวัอีกหมุนอยู่อย่างน้วันหนึ่งเพื่อิจไม่ได้ทักกิจจึงเหน่จึงลา มาได้ับตอนนอนหลันอนหลับนัที่ก็มาฝันเยาตื่นหลักตื่นตืกไม่ได้หยุดลัเื่อคนไหจิตคนไหท่านจึงให้เข้าสมาธิหยุดมุ่งหมการเข้าสมาธิคือให้จิตผวงเข้าผวงให้จิตหยุดทงานจิตหยุดทางานเรียกว่าภาวังข้าจิตมันมีอยู่สามอย่าง พลังคู่บันเท่ากับขันธกายสมาธิจิตสมๆๆอตนิดนิดหน้อยหน่อยพลังคู่กันจิตพักทำงานสู่สองสามนาทหรือท่นววานเรียกว่าสมาธิธรรมชาติหรือเรียว่าขาันธกาสมาธิจิตมันจะพักนิดหน่อยเป็นธรรมชาตินี่แหละสมาธิธรรมชาติมันพักขึ้นนานๆน้อย อยูทำงานนานนอยก็าเรียกว่าอุปจารสมาธิขอเท่ากับเทาวันจแลนะใจจตยังจงไปเสบาใจนะิตยงสยังยังบนหอมณได้เนเรจานะ้จดไปใจ ยารสมาธิวารสมาธิเฉียดๆจะไม่ลงตลอดลงไปถึงอัปปนาชาอัปปนาสมาธิ้วกท้อง้หรือลงไปถึงพระวังใหญ่เพระาะว่าแล้วก็จะออกจากพวังมาอเข้าๆออกจ้าละจอนุปัฏฐะสมาธิต่อไปมันจะลงถึงฐานใหญ่อัปปนาชาอัปปนา อิทธเดียบขวังคุปัดเชทดข่าังใหญ่ถ้าเกียวเทียบเลยกำลังนอนนอนเงียบเดียวพอเสบการเรียกว่าผานิกาสมาธินอนขึ้นหลังขึ้นตื่นเรียกว่าอุปวัละสมาธินอนตื่นเดียวสอดแก่ะตื่นเดียวสอดแกะนอนตื่นเดียวเรื่อสว่างเรียกว่าข่วังใหญ่เรียกว่าอัปปนา สามารถจิตจะได้พักนานๆเมื่อจิตพักกว่านานๆจิตก็จะมีพละงมีกําลังแก้ข้ามาเมื่อมีพละมีกําลังแก้ข้ามาจะสามารถใช้จิตนืกอเช็ดูดแต่งค่ากินต์หรือความโง่ความหลงความรู้ไม่กินดับไปได้ักับอาวุธัญงยาย มันกับอาอาุมาตาต่างนกิเลสความโม่ความโลภของโกรธความหลงนี่เราเข้าสมาธิต่หมายการเข้าสมาธิเพื่อให้จิตพักงานบางทีเรียกว่าสมาธิเกียบหินับีินดีนมีไม้กินอาอาุธกัไม้ปัญญา เห็นรับปัญญาห็นรับปัญญาน่อปัญญามันถูกมื่อจิตมันถูกพักผ่อนมันมีกำลังเพิ่มมากมันกับอาวุธของนายชาติเขาล้าเขาฝนหน่งหมเขาแต่งหนใหม่นี่อไปทำงานมเจอะคมก้าจิตของเราเออกจากสมาธิทม่มๆ มันจะมีพลังมีกำลังคงต้านที่จะไปฝาดไปฟันไปข่ากิ เ, ก เ, ก เ, ก เ, เลสคือความโง่ความหลงให้ตายง่ายๆให้ดับลงง่ายๆเป้าหมายของการเข้าสมาธิให้พอกันต่อใจถ้าเวลาเข้าสมาธิไปรูปเวนั้นอยู่ มายากนกนมายาโกนมายาจิตของเราจะเสแส้งแปลงเพศทำสิ่งต่างๆขึนมารอใจของเราให้ออกจากสมาธิไปรู้อยู่กับมาไปเสียอยู่กับมไปเสีกับมนมานนเสียเปรียบแลมานั่งสมาธิก็ไม่เกิด สมาธิกับเขาเอาใจกินไปเสพตัวมันมันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นมันอะไรเกินเลงเราจึงปล่อยกินแ้ไปเสพตัวแยออกไมก่ไม่ออกหอบถูกมันในที่นี้คือกิเลสคือความอยากได้สมาธิไม่อยากทำงี้เนายิละยิรวยยิอยากที่ไม่ได้ทาสมาธิ ทททอทียังไม่ได้เลมันจะมาปิดไม่หสงบอยากได้สมาธิอยากได้ชาอยากได้่งที่อยากได้ปี่ย้าอยากเกนอันนั้นรนความอยากอันนี้นะเป็นมายามันจะเส้นแก้ยอย่างนอย่พปิดกันด้นจิตไม่สงบให้เข้าใจอย่างนี้มนันอันนี้เี่ากเลสมันม ขันธ์ทงานนั่งไปนั่งมาจะเกิดเวทนาขึ้นปวดแจฉงปวดขาร้อนเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟในหม้อนั่งร้อนเกิดปวดเก็บปวดหลังปวดเอวปวดไหลขันธ์หน้าขันธ์หลังขึ้นมาก็ล่อจิตของเราออกจากสมาธิออกจากลมหายใจ ไปรู้กับเขาไปเสพกับเขาไปเสพอยู่กับของป่วคนไม่รู้จากมานก็เลยเอาจิตไปเสพกับมานเขาให้ลบกับมานให้สู้กับมานเือให้ดีนีจากมันดีนีใจมัโบราณีกสร้างดีมันดีกว่าเสียกว่าดีมากดีค่อนข้างดีมากนดเลยดีรอยดีข้างดีอย่าไปเสพกับมันจย่าไปพบต่อมัน ให้เอาจิตไปรู้อยู่โล่นะใจหรือไม่ไม่นั่ง ไ, ไม่นั่งความคิดก็เกิดขึ้นเขาเรียว่าอัพิสั่งขันมันไม่นั่งไม่คิดนะพอมา nang เนี่ยความคิดไม่รู้ว่ามาอยัางไรกำลังว่าว่าความคิดก็ไหลออกจากจิตจากใจอารมณ์เ ก, ก่าที่เคยทำอะไรไว้ก่อนดูเห็นอะไรไมื่ก่อนจะไหลออกคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนู้จบลไป น, นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอภิสังขารมานมานที่ยิ่งใหญ่ในการทําสมาธิมันจะแสะดงโกลมัญญามาญญะสาธัยกระพริบกระพริบร้อยสันอันเหลี่ยมมารร้อยสันอันคมมันจะมาล่อจิตของเราออกจากลมหายใจร่อออกจากการสมาธิมาเสพอยาาู่กับเขามาดูกับเขา โู้ทำสมาธิกอเสียเปียกลยทีเดียไม่งั้นมันก็จะมาเซกับเทวบทมานเกิดเห็นแสงต่างๆบวลาสีดำสีเขียวสีชมพูวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่ ง, ง, งไปนั่นไปนี่สับเปลี่ยนสลับเปลี่ยนสีแสนต่างๆมารยากครับนั่นจะดึงจิตของเราออกจากงมหาใจออกจากฐาสมาธิ มาลูกมันเท่าที่มันจะทําได้เสแส้งแกล้เป็นอนันอนนี้เป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงเป็นลูกเป็นกลิ่นเป็นรถเป็นมันผู้ไม่รู้จักความมันก็เอาจิตไปเสพกับมันจิตก็ไม่สงบแล้วเนี่ยนี่มันพวกนี่นเอาเวามาบวชขี้เกียจหมดนินงหุนหิ่นอยากออกจากสมาธิขอออกจากสมาธิ ไม่ไแล้วความสเร็จไม่มีความอดทนไ ม, มีความเพียรพอออกจากสมาธิไปอยางลมั่นตัวมันคือใต้จากสมาธิใจจากมาผลรีความอะไรนี่ละมนานห้าอย่างอย่าไปเสีกับมันมากอย่างสาถ่ยเสียเส้นแกแหเป็นมันอยา่าเหลอกจิตเอาใจเรานี้ออกจากลมหายใจออกนี้จากสมาธิ เพราะพเจ้าขึ้นแต่คาถ า, ท า, ท า, ท า, ทาบทหนึ่งในมงคลสามข้อแรกเลยอ่ะเสวนาจะพ า, หาหนังบันดิตาจะเสวนานแปลว่าอะแปลว่าไม่เสวนาแปลว่าเสดแปลว่าพบไม่ได้พบคนผ่านอ่เสวนานจะพาลาังไม่ได้พบคนผานคน ผ, านคนผ่านคือมัน คือกิเลสคนพันมันมีพันภายนอกภายใ น, นพันภายนอกภายในตัวขวักไขสันและซับตัิษในกล้ากินเหล้ามาสุรานักหนึ่งสุราหนักหนึ่งพวกนีก้หนัดหนการกนนัน้นคนปวดปวดโมทเทสเนี่ยเารียกว่าพันภายนอกส่วนพันภายในคือกิเลสทื่คังมันทีานาน่สังขารมันนี่ก็อย่าไปพบกับมัน ยาไปเสกับมันอาไปรูปับมันนะมันอยากทานทาไปพาไปนะทุกไปไปนะผิดครบคนทานทานพาไปนะผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปนะคนบรรัณฑิตภายนอกพอ ร, ร, รหหนนู้จังนะรรดูบัณฑิตภายในใช่รู้จักไหมนะบรรัณฑิตภายในบัณฑิตภายในก็คือผู้รู้ย จิตเป็ใจของเราบัณฑิตอยู่ผู้คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจบัณฑิตคือนักปาบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเราก็เอาจิตเราไปเสพอยู่กับลมหายใจหรืออาณาปานสติเอาสติไปรู้อยู่ที่ลมหายใจก็เรียกว่าเสพบัณฑิตครบบัณฑิตแล้วเมื่อดูไปดูมา บันดิตพาไงหาผลมาดูไปดูมาสติหรือจิตกำลังลมหายใจได้วางออกจากกันลมหาใจก็ค่อยๆจางคายหายไปพ่อจับตาปวดเห็นความรู้อันปรากฏขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นลมเบาลมเบาความรู้ก็เกิดขึ้นรู้รเด่นขึ้นเด่นนี่หละผูรู้ยคือพุ้โท คือพระพุทธเจ้าคือนักปราด์คือบัณฑิตเราก็จะได้เห็นอาลุนทนิพานมรรคผลนิพพานบัณฑิตพาไปหามรรคผลนิพพ า, า, า, า, านเมื่อลมใจการใคร่ร้ายไปก็คงเหลือแต่ความรู้เฉยหนูเบคข้าเอกพระอาจารย์ยิก็ไดนพักใหญ่ตกถึงข้อวังใหญ่ เขาวังคูปัจเจธาคิดจะพักใหญ่พักนานๆนี่เราก็เห็นนักประันดิตคือผู้ลู่ลูู่นี่แหละผู้ลู่ลูดีแลเพื่อจิตแท้ใจเดินของเราเป็นว่าเป็นศูญยตาว่างเปล่าศูญยตามหาปุริสารมหาบุรุษพระพุทเจ้าอยู่กับความว่างอันนี้ ความว่างนี่แหละท่านเรียกว่าสุญญตาผู้รู้จะอยู่ในความว่างอันนี้นั่งปักสุญญตามหาบุริลามหาบุรุษด้วยพุทธเจ้ า, า, าจะอยู่ในสุญญตาเป็นธรรมชาติของใสสว่างสวัยอบโลกขอบจักรวลาลที่ความว่างสง่างสวยเป็นธรรมาติเรียกว่าธรรมโมเรียกว่าธรมโม เรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าธรรมโมผู้รู้ว่าวาสว่างสวัยของใสก็คือเราเราก็คือผู้รูกผู้ลูกคือพุทโธธรรมโมสังโฆก็คือเราอ่านี่แหละเราก็จะเห็นพุทโธธรมโมสังโฆปรากฏขึ้นภายในจิตในใจเรานี่ย พุทโธรมโมสังโฆท่านเรียกว่าลัตนตนาไตรคือแก้วสามประการแก้วสามเดี่ยวเพชรสามเดี่ยวเลี่ยวหนึ่งเป็นผู้ลู่ลอีกอันหนึ่งจะเป็นธรรมชาติว่างว่างเพื่อสุญญาตาสุญญาตาผู้ลู่ก็อยู่ในสุญญาตาเพราะว่าสุญญาตามาหาภูริสารเป็นธรรมชาติ ว่าสว่าของใสนี่แหละคือธรรมโมพุทโธธรรมโอคือพ ร, ระราชนัตใคือแก้วสามประการเกิดจากใจองเดียวคือใจอนี้จะมีลักษณะสามอยา่างภุทโธนี่แหละคือจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นวิสังขารไม่มีสังขารมาพงแต่งจิต จิตจรว่าสว่างเนีของแท้จิตจึงเป็นพุทธโธวิสังขารของอย่าพุทธโธกเรีออยจิตจริงนี้จะเห็นในสติปัญญาในใจจิตใจใจของเราะจะเห็นนะมันลูล้ๆๆ่เสือยู่ตายไมเป็นตัวคนตัวจิตแท้จะเป็น ตายหเจะลูลูลสับสน้อยคสอยูอยอยย่นใจนัเองท่านชึงเรียกว่าอมตะจิตจิตที่ตเป็นอมตะท่าอมตะธรรมธรรมที่ตเป็นโทโธธรมมสะโภวเป็ น, นเดียวกันคือจิตเรียกว่าอมตะจิตอมตะ่าอมตะธรรมธรรมที่ตายมเป็น เราโลนะ่ในีง่หนึ่งเห็นในสมาธิแป่เวลาทันจัจจ์จะไปเห็นตัวพุทโที่ไม่ประกอบการยอะไรมันตายเป็นมันเจ๋มันเท่ามันปุตติเคลื่อนที่มันเป็นรูรู ร, รูปักลักรูนะ่ะเป็นเอกเทศของเขาอยู่นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ การเวลาไม่เข้าไปครอบงาจิตได้นั่งสมาธิแปแบ เ, เดียวพอริมัจขึ้นได้สองสามชัวโมงไม่ได้ถือการเวลาเวลาทีส่สงบจิตตรงนี้จึงถูกสมุทตังเชื่อว่าอาการนี้โกรจิตอาการนโกรท่านอาการนีโกรกทำทำที่ไม่ประกอบการเวลาเราก็จะเห็น ธรรมชาติเห็นธรรมชาติว่าของใสอยู่อย่างนี้อาการอย่างนี้ เ, เรียกว่าธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติกินเราถึงธรรมชาติคืออารมณ์พลานานมันจะไม่รู้อะไรจะรู้เยรู้เส้ย ธรรมชาตินี่นะี่แหละเรียกว่าอารมณ์ so, ีมดติสุีมดติสุสุที่ไม่งอมสุขไม่ห่าไม่งอสุเอยอารมณ์ไม่ปกอจิไม่ทางานจิจริงเป็นสุเป็นสบายนั่นแหละเป็นธรรมชาติ่นันแหละเรียกว่า ธานิาพันอารมณ์ธาิพานธ์นิา พ, พนาพพนาพนี่โอเป็นของสูงกว่าจะรู้ได้เห็นได้นะทานไม้าตั้งกัน ง, งไม่เท่าจิตสงบข้างเดียวเหมือจิตสงบแล้วเราจะเห็นอารมณ์ธาพพิาพานธ์ขึ้นมาเห็นในชาตินี้นี่ไม่จะเห็นในชาติหน้า เห็นอารมณ์ที่มุติสุขจิตว่าสว่างของใสไม่อาไม่มีอารมณ์มาประกอบจิตได้ไม่มีการเวลามาประกอบจิตได้จิตก็เป็นธรรมชาติธรรมชาตนนี่แหละวัฏจัารทานหลายครั้งก็งในเท่าจิตสมบครัเดียวมันมีอายสาัาน สมมติครั้งเดียวเขาเข้าถึงปฏิัน์แม้เศษฐีผู้อุปมีมีเงินล้านเงินแสนหลยล้านพันล้านก็ยังมาซื้อเอากฏิพันธไม่ไม่สามารถเห็นปริพานธนะมีหลักการมาทำสมาธิยังมีท่านจึงให้ภาวนาสวดทานสวดสีมันก็ไม่ท่สมาธิ ในสอบภาวนาคิดดูใครจะมาซื้อได้ใครจะมีขายให้กันอารมณ์ที่สุดการโกหการที่โกหกทรมห้ใครมีใจมาขายใกันนี่เรียกได้ว่าอารมณ์ข้จิต ด, ดับขันหัาได้จากขันหา้า ขันหายู่ทา ง, งานมีแต่ความรู้รู้ว่าสวา่างสวัยตายไม่เป็นนี่เราเห็นพุทธธรรมสงภายในไม่มีซื้อมีขายในกันพุทธธรรมสงภายในก็เรียกว่าเห็นสันนิาที่ถูกนั้นก็เสร เห็นุทโ ท, ทำโมังโหนี่แหละว่าปฏิบัติมาดูไว้เห็นอย่างนี้พุธทธารรมสงภยัยีนพอได้สาระาที่เพิ่ที่เราพากันสวดพุธทธารรมธรรมังสังมั ง, ส, ง, งสระัจ า, านี้น่นอันนี้ถงอไ ว, ว้ใจาตามก็ถือไว้ใจ มาท่องบทสาธยายทำบัตรสวนมนตก็ถึงรวยมาจาเมื่อมาภาวนามานั่งสมาธิก็ถึงรวยใจก็ได้สนนัที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงภัยเรมีทุกข์กับภับบยว่ากับภัอยอาชีพภัยภัยพวกนี้พอหลบดรีหลีกนี้ได้โยแต่มอและนั่งภัย ดูจากเมนมอลนานะมอลาไัยคืออะไรคือความตายความตายไทยคือความเกิดเจ็บได้ลี้ยไม่ได้มอลาภัไทยภาษาบาลีเรียกว่าภยยภยภาษาไทยเรียกว่าภัย แตว่าความกลัวกลัวอะไรก็ไม่ต้อกลัวตายเราจะจากำจกัดไปกำจัดได้เมื่อธาตุจะแตกขันจะยับมันจะตายความกลัวตายเราต้องเป็นผู้ชลาดเอาจิตเราไปอาศัยอยู่กับพุทธธรรมโสดพุทโธธรรมโมสังโฆ อาศัยอยู่กับผู้ตายนี่เป็นมาตาแตกขั้นดับจิตของเราก็จะไปจุดติว่าเกิดขึ้นบนสวรรค์ั้หรือไม่ก็จะเข้าถึงพรนิพานสึงกับจกักความเกิดแก่เจ็บได้เลยภัยในวัฏจักรสงสารเราคือความเกิดความแก่ความตายมองใ้ใครคือความตาย ไม่มีใครได้พุทโธได้มันเป็นธรรมโอได้เป็นสังโฆได้ันเป็นมันเป็นอรมะต่จิตธรรมะาตุธรรมะต่อธก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้ใดมันเป็นคอสบายหรือหม่ก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธธรมอสังโฆพุทโธธรมอสังโฆหรือใหม่ก็เข้าสมาธิเข้าสมาธิถึง ลู่ชาญออกจากรู่ชาญไปอาลูชาญเอีก็ได้ล้มาเข้าสมาธิขอสมาที่อยู่ถ้าจิตได้การสมาธิก็ไปเกิดอยู่พุทโกยิ่งดีกว่าสวรรค์อีกสวรรค์นี่ไม่มีความสุขเท่าพุทโธเทียบกันใหญ่อายุก็มีนานอย่างเท่ามหาคนเท้ากาวคนเป็นหัวหน้าของพุทธ อายคงูงสตายไมเป็นอายุคงคงหลายหมื่นล้านหลาหมื่นหลายพันล้านกับอายุนับเปกับเนี่ยเขาเว่าผมโลกเนี่ยตายเป็นถึงว่าเ้ของเป็นอัตตาไม่ใช่อานตามันว่ามันเป็นคนสร้างโลกเพราะเป็นผู้สร้าง เขาเรียกว่าคงได้คิดคงได้คิดคงสร้างโลกขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาสร้ า, า, า, า, า, า, างผ้เขาโลกขึ้นมาสร้างสสารเสีงขึ้นมาเขาเรียกว่าคงได้คิดคงไปหลงตดอยู่ในโ ล, ลกชาน้นโลกชาน้นต้องไม่เคยคงมาโลกนานไหนที่ยาวนานย้อนว่าคง มันโลกเป็นพลังพาดมถ้าจะตายจริงๆก็อยาให้มันให้จิตอยู่ศ oh um ูนยตาของเราัไม่ให้ไปอยู่กับูกคงหลูกคงไม่ให้ไปจบอยู่ับอารมณ์ใดอารมณ์ให้มันวางอยู่กับความ้าง สุญญาตาปููไปภายในพก็ททำกิจให้เป็นธรรมชาติที่ว่าอารมที่เราเห็นอยู่ในสมาธิกิจเป็นธรมนธรมชาติเลยธรรมชาติเว่าเป็นสุญญาตาไม่ไปยินดียินร้ายในอะไรอูุเบขามักชื่อาามมว่าปฏิปทา ออกปฏิบัต์ให้ถึงความต่างคือไม่ยินดีไม่ยินลายรู้รู้เฉยเเฉยเนี่คือการไม่ยินดีไม่ยินอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาอยู่อารมณ์นี้ก็จะไปถ้าไปูฌานก็ไปเกิดโถ้าไปอยู่ในอฌานก็ไปเกิดในอจริงอยู่ในอารมณ์ด อารมณ์น um. ี Belgium, ่แหละคือพบข้อกิจให้เข้าใจคูปฏิบัติอารมณ์คือพบของกิจจิตมิมิจิตคิดไปถึงอะไรเรียกว่ากรรมิมิจิตคิดไปถึงอะไรตั้งใจจะขาดกรรมมิมิจผู้ปฏิบัติฝึกบ่อยๆที่จะัเนบ่อยเห็นกรรมิมิิมิคืออารมณ์ของกิจจิตคิดไปถึงใค่ะคิดไปถึงใ ที่ไปถึงเนี่ยที่ใจจะขาดที่ไปถึงลูกถึงหลานหรือถึงบ้านถึงช่องนะี้จะไปเกิดถือเป็นจ่งจบเป็นตุกแจ่เฝ้าบ้านนะเห็นหมาไปเฝ้าบ้านนะอารมณ์ที่ไปคิดถึงบ้านโ อ, โ, อ โ, อ โ, อโอ้เห็น เ, นเ ง, น ง, นนงี้ยในงามๆนี่พอได้ดูนะ้องจิดขาดปากดักตรงนั้นนี่นคบเตียบสมัยง่ายหนานะ าการลงในภพนะั้นภพที่คิดถึงว่าภพเปรียบเสมือนขนาะวิญญาณธือกิจเปรียบเสมือนโมเลกุลที่มียอยางอยู่ถ้ามมนคิดไปคิดอารมณ์นะั้นกิจก็ไปเกิดอยู่ในภพนะั้นอันนั้นแหละนาน้าเกิดแล้วก็แจอก็ตายเองตรงนะั้ ให้เข้งใจมาปกฏกิบัติรู้จากพบจากชาติเมื่อมีพบแล้วก็มีชาติเมืเ่อไปเกิดไปตกอยู่ในพบนั้นจิต ก, ก็เกิดเรียกว่าชาติถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ไปเกิดในอวายภูมิจิตชิพตั้งแม่แอกุศล ไปถึงบาทที่ไปทากรรมที่ไปพูดอะไรต่างๆเพราะเกิดเกิดวยรุ่นอิศวิมลคิดมาถึงหนัาสมาธิเพราะวางกรรมมิมิตรมิมิตรเว่าคิดกรรมเรียกว่าการกระทันกิจทำกางานเมื่อมันคิดเรียกว่ากรรมกรรมคือการทันกิจคิดเ น, ะนะเรียกว่ากรรม คิตไปถึงอะไรคิตก็แปลว่ามกรรมนิมิตนิมิตไปถึงอะไรคิตไปถึงอะไรนั่นแหละอารมณ์นันหคอจิตอย่างทำไมพุทธการภาคมือามูมาลงแขกตัดเย็ที่บอลเสร็จพอดีที่สาวห้าอันฮาเลี้ยงหาหัันกิอีน้ำตำอย่ารองพอดีใจ อันหลายปวดวก็เดืดขึ้นมานอนปวดท้องพิษของอาหารกินหลายปวดก็เพอาะแกตายพอแกตายก็นี้คิดไปถึงผ้าเช็ดตัวตัดในมันยังไม่ได้ใส่ผ้าเช็ดตัวตัดใยังไม่ได้ใส่นี่แหละกรรมนิมิตที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมแล้ววาจิตทําการคิดไปถึง ที่วานิีมินคิดไปเป็นผ่าที่านช่วงนั่นเนี่จิตดับลงกับผ่าท่วานนั่นแหละานคือพบวจิตจิต้เกิดอยู่กับผ่ายที่วานไปเกิดเป็นเลนเป็นอะไร่ผ่ายที่วานขขนาดปวดมากาวันาาวนน เวลาใจอากาศไปคิดถึงจีวรนะตายจากนะจิตดำลงในอารมณ์นั้นอารมณ์เป็นคพกของจิตจิตก็เลยไปเกิดพบไปเกิดเป็นที่ตั้งจนะิตจิตก็ไปตั้งในพกนะั้นก็เลยไปเกิดเป็นเลนเข้าออปลายจีวร อ, อันนั้นเป็นสัตว์เลนสานเข้าออปลายจีวร พรก่อะเอาไพ่กีวนมาเพี่ยนแบ่งให้ใครเลนมันได้ยินเขาจะแบ่งไพ่จีวรก็ร้องให้นะแต่เสียงเลนร้องให้เสียงตัวเล็กคนก็ได้ยินมันเป็นของกีวนได้ยินคนพูดไปจะพราาะไปแบ่งจีวนเอากีวนของพระอันเทีตายให้ใครตัดในนอยเยี่ยม ย้อนใครยุ่ยยวอนใครแต่ให้มารับเอาไปที่เย็นหาเล่นได้ยินอย่างนั้นร้องให้จะเอาของเราไปจะเอาของเราไปอย่างนั้นร้องให้เราไม่ได้ใช่โน่น้นึ่งมันตายยังไงยังรู้จักพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงร้องให้พระพุทธเจ้าดย ต่ให้ะนุ่นมาบอกพระนุ่นนุ่นจะให้เพืนเขาแบ่งให้จีวรไปเกี่ยเอาให้จีวรก็ติดให้บอกเขาเดียบร้อยให้บอกพระหลังจากเจ็บวันทั้งให้ก็แบ่งกันให้เก่ยกันเพราะงมันมีอายุอยู่ไม่เกินเจ็บวันก็ตายตัวปอยู่ตพวกนั้น การมองในมมมออย่างน้ยกัน่างันแยกันรของเขางมีอยู่วันเหมือนเดิมแต่พบนั้นจิดโรงนั้นจริงไปเจอตุบปกันอีกได้ถึงสวรรค์ไปอะไรต่อไปโดยต้ณการปฏิบัติภาวนาใจขาดทางกรรมนิตรนี่แหละพากันเข้าใจมีแรงใจยังขาด อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแต่งกินเจา้าของให้มันไปคิดแต่เรื่องบุญแต่กุศลให้มันคิดแต่นั่นหรือไม่ก็ให้มันอยู่กับสุขแลตายอยู่กับพวบ้านนะครับอยู่กับอารมณ์ผนิวานรู้รู้รอยู่เฉยเไม่ยินดีไม่ยินลาย เป็นรรการนี่จะไปปฏิบนะัตินะต้องเปิดอ่านจิตเจ้าของต้องมาจักอารมณ์ของจิตอารมณ์คือพบพบเกิดเสมอเนี่ยนะจิตของเราเกิดเสมอไม่มได้พืชไม่ได้พืชที่มียางอยู่มีเชื่ออยู่มันก็ไปเกิบได้ถ้าวิญญาณของเราวิญญาณของเราไม่มีเชื่อ ดับความโง่คนหลงหมดดับความวิชามเปลียนเสมเงินมาได้เพือจะไปขั่วไปต้มไปแากไปต่างแดดตายแล้ววิญญาณโยนไปไหนไปตกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอีกถ้าวิญญาณยังมีเชื่ออยู่มีจิเด็ดมีตัณหาอยู่เชื่อดับ ี่เลสดับจนหายได้ ม, มดดับเชื่ออะไรมันก็ไม่เคเกิดมันเล็ดเพื่อเอาไปย่างไปปิ้งไปโตุไปแกงมันสุกแล้วมันก็ไม่ไปเกิดเหมือ น, น, นกับข้าวเราข้าวก็าเอาไปสีปอกเบอปลือกกระทบเทาะเปลือกออามาแช่น้าเอามาล้างเอามาตุ๋นมาหมุง มัเน่นสุกแล้วมันจะเกิดได้ไหมโอ้เกิดเพรอะมันดูเหมือนกันเอามาโต้มมานิ่สุกแล้วมันไม่เกิดอีกแล้ววิญญาณไม่มีเชื้อเมล็ดพเชที่แห้งแล้วมันตายแล้วจิตมันหมดกิเลสแล้วหมดปัญหาแล้ว มันไม่ได so ้เก like ิดเีอเขาจะมาภาวนาเพื่ออดไรดังจิตเด็กคือความโลภความโกรธความหลงนึ่คือตัณหาความโลภความโกรธคือตัณหาความหลงก็คือหลงว่าเรามีเมันดำอวิชชาสำหรับมันมีเหลือดับลงมันมีเหลือ เพราะอวิชามีเราจึงมีเพราะเรามีขเขาอดไมมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึมีเพราะอวิชามีเราก็จะงมีอวิชามัมีเราก็ไม่มีเพราะอวิชามออีอาสวะนะอาสวะจึงมีเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิด ดับไปถึงขนาดนั้นเพราะอาวิชาอาสาวาคนหนึ่งอาสาวาลสกิเลสเพื่ออาสวาก็ดับอาสาวาดับอวิชาก็ดับอันสองอันนี้มันเป็นเหตุปัจจัยให้กาดับอาสิ้นอาวอาวดับอวิชา อวิชานิเป็นเหตุให้เกิดอาสวะอาสวะนิเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาพอจิตมันหลงอวิชชาดับสำรอบไม่มีเหตุวิญญาณสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับใครอยไปลงไปปฏิสุธทธิ์ในขั น, นีกวิญญาณไม่มี วิญญาณดับไม่มีเื่อวิญญาณมุเเลเกื่มันจะไปตกอยู่ในท้องแม่ได้หรือปฏิสุธีในครรภ์ของแม่ได้วิญญาณดับน้ำลูกก็ไม่มีมันก็แวะปฏิสนธีในน้ำรูกหือคือได้ดื่มน้าในท้องแม่พ่อแม่นอนร้วยกันก็เอาทิ้เขา้าไปน้ำได้สมกัน ดินกระ น, น้ำคือธาตดินธานน้ำธาตุพ่อธาตุแม่พ่อแม่ที่เป็นแรงเสิดของลูกวิญญาณขึ้นไปลงปฏิสนทธิเป็นคันทำให้มัเป็นประจเดือนนะครับพ่อกับแม่นอนด้วยกันคืนละกี่ข้างมันก็ไม่ปฏปิสนทธิได้ เพาวิญญาณยลงปไปไปไปไปที่สนทีในน้ำลุกเลยถาไม่แข็งทันในดินในน้ําือนี้ต้มาเข้าใจเพาวาวิญญาณดับไม่มีเชื่อแล้วละเลกเิดจะไปตกอยู่ไหนได้มันก็ไม่เกิดถ้ามีเห็บไมาดเนก็เกิดนี่ต้นไม้เดนก็เกิด เรียกว่ามันมียามีเชื่อต้องไปเป็นภพเป็นชาติต่อไปอีกถ้าดับวิญญาณได้ดับทั้งน่าด้บวิชาได้วิญญาณต้องดับไม่มีเชื่อความอยากไม่มีเชื่อแต่หวันตรงไหนมันก็ไม่เกิดมาเล็กพื้นวิญญาณของเรามันไม่ได้เกิดในคันในไข่ในน้ำ เน่าเนียนได้ไปโอ like ่ก in. ับปาจีกะเป็นได้เองเพราะไม่มียางไม่มีเชื่อแล้วจิตของเราเป็นธรรมชาติแล้วเป็นธรรมชาติแล้วไม่ไปเกิดอีกจิตบริสุทธิ์ผุดของเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เราไม่มียางไม่มีเชื่อแล้วไม่ไปเกิดอีกแล้ววิญญาณของเรา มีแค่มาให้นัน่งสามารถที่ภาวนาเพื่อมาเห็นอารณมณ์ธรรมชาตินี่เ อ, นะอาเอาดีๆแยกออกไหมละครั้งอาศัวนาจะพรลานาั่งมัติตานันงจะเสวนาห้ามเลให้ามไม่ให้ไปพบกับผานคือกิเลสคือมนัมนมันภาใน คือใจรวมที่เป็นบาตเขาเรียกมามันันจะเสียแสงแก่รอเขาจีบเอาใจมาเสียู่กับมันมันจีบของเราใช่ไหมไม่สมกงูกจากมันจีเนรมันกันเข้ามาที่สาคัญมันเทโอโตทมันนะตูมันแยกมันกับันจีบได้ไหมล่ะ รักดีคือนักบัตรคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่เราหายใจเนี่ยเวลานั่งสามารที่เราเอาจิตไปเสียกับใครไนดะ้ะเอาดีๆ น, นะเอตามังพนมตามังนีเป็นมงคนอันประเสริเป็นมุมคนอันสูงสุดถ้าไม่เอาจิตไปเสียกับคนพาลได้แค่เสียกับรักดีจิตของเราเข้าถึงอารมณ์ให้มีความได้ เป็นมงคลอันประเสริฐเอตัมมังอะไรมัมมัเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เวลานั่งมันมีครูบาอาจารย์มาอธิบายกันก็ปล่อยกิจปล่อยใจไปเสียกับมันอย่างนี้แหละมันจึงไม่รับผลสัตยเด็จมันเป็นอัปมงคลนะถ้าเอากิจไปเสีกมันมันเป็นอัปมงคลไปเสียกับบันทิก บัณฑิตยอยูที่ไหนบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหา่ใจต้องเอาสติไปเสีอยู่กับลมหายใจเป็นรู้อยู่กับลมหายใจอย่าไปเสียบอยู่กับความปวดแฉ่งปวดขาอันนั้นเรียกว่าขันธมารขันธมารเข้ า, เาใจไห้หลังนะเวทนาะเนี่ยแล้ปวดขึ้นอยากจิตไปรู้มัน เรียบหนึเรียบคนผานเรียบมันร้อยเรียบอันเียบให้เอาจิตไป็นรู้กับรู้กับบัตรดิตถ้าเข้าใจจุดนี้ก็สำเร็จการภาวนาบัตรดิตคือผู้รู้อาศัยอยในลมหายใจมันมีแค่นี้นะเคล็ดลับในการปฏิบัติไม่ฟังคำพระพูดจากอาศัยวนาอย่าพานำนั่งอยู่ก็ปล่อยจิตไปเสียกับ ความคิดไปเสียกับความปวดแฉ่งปวดขาเขาให้เสียบอยู่กับลมหายใจอาณาปานสติเอาสติมารูดอยู่ที่ลมหายใจเจ้วของเอาสติเป็นรูดกับเวทนาปวดแฉ่งปวดขวดาสวนทางกันแล้วอยากกินเห็ดไผ่าตาน้องมองอยากกินปลาไผ่แห้งถึงพวกเราอยากกินเห็ดเรื่อก ไผ่ตาลูนองหนึ่งสวนทานกันแล้วให้ไวเสียบกับนักปั่นวันนี้เราหลังสมาธิก็คิดไปเสียบกับมันมันจะได้สงบได้เลยมันก็มันหลอกมันหอกออกกินเราไปควงหลอออยกไปรอไปหมูขึ้นเขียงหน่งมันก็ออกกินเราไปขึ้นเขียงฟักมันกูเขาเอาหมูมาฟัก เอาสบเขาใส่เอาพริกเขาขั่วหอมาใส่มันไปกินเอาคิดแล้วไปกินหมดพอเข้าใจไปแล้วนะฮะ้ยจากมันด้จากกิเลสไหมกิเลส ม, มันขันทามานคพื่อสังคันมันเอากิดหนีอย่าไปรู้กับมันอย่าไปเสียกับมันไอหนีไปอยู่ไห น, นไ ห, หนีไปรู้หรือ็ะลบหายใจนั่นนะ มันก็ได้กันะสมาธิรู้ลงเนเราอยู่เอามาลงหายใหจางใจหายไปออกปรากฏเห็นบัณฑิตคือผู้รู้รู้รูเกิดขึ้นบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหาใจเมื่อลมห้ใจจางใหาไปตัวบัณฑิตคือผู้รู้ความรู้รู้ร เห็นกิจเป็นเสียกับผู้รู้เลยเห็นผู้รู้จริงเลยตัวผู้รู้นี่แหละคือมนนรรคผลเทพานบัณฑิตจะพาไปหามรรคหาผลจะจะเห็นอารมณ์เทพานขึ้นมาเห็นวิสังขารเห็นจิตเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์มาปูแต่งจิตเห็นจิตว่างว่างที่สุดคือสูญญาตา สุดยอดมากหะพุทธิสัมภารุปค mm ือผู้ลูกผู้พทโธอยู่ในความว่างนั้นว่าสว่างฟองใสเป็นธรรมชาติคือกิจแค่เดิมเดิมคือธรโมกธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละคืออารมณ์ปฏิปันบ้างดูเข้าใจไหมล่ะนักปัดนักปัดไกล นัปาสิปากล้ปานยปทดนั่งอยูเนี่ยไม่ใช่นักปรานักป่าระติคือผู้รู้ผู้รู้เลยเรียกว่านักป่ารผู้โง่ผู้ก็เรียกว่าคนพันาโลว่าโมกว่าหแปลวญาบอก แปลว่าโม่พระนุษยภาษาไทยก็เรียกว่าพันภาษาบาลีก็เรียกว่าพาโลพาโลพาโลแปลว่าโห่แปลว่าลมแปลว่าลูกแมงกินบัณฑิตแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ฉลาดแปลว่าสติปัญญาพาโลก็แปลว่าผู้โม่ผู้โลหรือแปลว่าอภิษา มานั่งก็ไปเสียกับพระพิฆายเสียกับคนพานอยู่บัณฑิตคือนักปราชญ์คือผู้รู้สิ่งสถิตอยู่นี่ลงใ ห, ใหญ่ทำไมไม่เอาไปไปเสียกับบัณฑิตอย่างนี้ถ้าพระพุวัฒนานรู้จักปราชญ์รู้จักบัณฑิตรู้จักคนพานมันก็สมมุตมันก็เกิดขึ้นมา น, นี่มันไม่รู้จักนักปราชญ์บัณฑิตไม่รู้จักคนพาน นั่งไปมันจิไปเสียกับมั่านปวดแข้งปวดขาก็เจัเก็บหยเยคือันาไปมันก็บ้าแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นดัมาาัมึ่งนบบกุ้งไว้เต่งเราไปมันเดี๋ยวมันลุกไม่ได้ไปไม่ได้แค่ยังมาช่วยเลี้ยงลูกเราูาไปมันก็เง คนขันเขาพูดองไม่ให้นะันนนกกน่นขันติรู้จักขันตีไห้แล่ะไม่ให้ใครรู้ดักตีขยันขยัเพื่ที่ไม่ให้เราบเป็นลูกกับมนเป็นรูปรู่กับลมนะขันตีคืออดทนวิญญาคือความเพียนเี้อยู่ไ น, นอดทนอยู่ไนต้นาภาวนาต่างสัจจะ ปธิฐานขึ้นนะจะไม่พยามเพื่อเพื่อที่แะไรนี่แหละเรียกว่าบารมีวิญญาบารมีก็มาใช้ในการนัน่งสมาธิขันติบารมีไม่ได้ไปท่ อ, องโาบารมีสิทธ์สั จ, จาบารามีก็ต่างสัจจะนี้ฐานขึ้น ขอให้จิตของข้าพเจ้าเรี่องเยี่ยนเป็นสมาธิตั้งสัจจะดิทายถ้าเป็นเป็นสมาธิจะไม่ขยับเยื่อนลู ก, ออ ก, กบวชที่เปพิทิศฐานอธิษฐานบาลมีได้เมตตาบารามีอุเบกขาบารามีจะไปสร้างเวลาไหนเวลาลงให้เจไม่มีสร้างได้ในบารามีนะบารามีบารมบารมีครับ สางบุญสามบุญส่วนก็ให้เรืาวมีขันติบาแมีททนกัอยาให้มันแตกออกขันันหน้ายยดัยดัปวดเนดเจ็ดเนดอนอ่ไ่ขันตกพริกขหญ่นมานกเศปวดไปันเป็รรอะปวดที่เนมืนมคมันอเศ เวลาดิ้บหมดไหมว่าอย่างไรชาเีทุกข์โขติ น, นาทุกขะเรตาความทุกข์ได้อย่างเราเราเล้เนี่ยเมื่อพิชิมปั๊บความทุกข์ดับไปทุกขโขเป ร, เรตาทุกขะเปรตตาอะไรทาทำสวความทุกข์ก็รอเยอยู่ข้างหน้าอี พิขิ้นไปเมื่โดนนั่งไปจาก20 น, น, นาที่สาส น, นาที่ปวดขึ้นอีกความทุกข์เรารออยู่แล้วนั่นรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วพิชิ้นเยอะเหลือเศร้าปวดอีกเยอะเห่ืนี่แหละขันติอย่าไปดูมันนี่พวกมันเผาตะบะนี่หรือความเพียนคือตะ บ, บาดเผาให้มันไหม้มันจุด เปี่ยนวามพยายามเดียมนลุกไม่ขยันไปเยอะเพื่อที่เป็นเด็กธรพวกนี้มันมารวมกันหมดทันติบารมีอุเบกขาบารมียมีมวิทยะบารมีก็ยังมีทันติเขารีที่ฐานสัจจะเขาเรือีอุเบกขาเขาเรื่นี้หมดาามพลิกไปมันก็องโดีถ้าเอาจิ้มไปเสพตันเสพของคนตาย พิษ ก, กับความทุกค น, นก็รอเาอยู่ตั้งนานที่อดอัดอึศเอาไม่เคยอยากไปยืนที่ไม่พิกให้มันใครจะตายใครเป็นคนปวดใครปวดทามันรู้พิกแล้วมันก็ปวดอีกหนอถ้ามันงอยู่ไม่พิกมันจะเป็นยังไงนี่แหละขันติขันเตกาขันติกับขันเตกามันคู่ ก, กัน เอาไมมีใครปวดอก้เป็นอามณ์ไม่ได้คิดมันไปถือเอาแล้วเน่ยโตกวท่านก็ไตกระดึมานั่งทับหัวมันอยู่เนี่เอาไปมันก็ชินมันก็ชาไปมันชาไปมันบอกไม่ปวดถ้าเราไม่ไปสนใจมันให้ดูมันให้ไปเสกกันให้จะอยู่ให้จะไปตัดสินใจเอาเลย กิเลส ก, กับเราหรใครจะเอาชานะกันเราจะชนะหรือเราจะแก้เราอ ย, ายู่อย่างพูดแพ้วันนี้แก้วันวนีมันก็แก้อีกพิษกิบพิกข้าีกถ้าเราไม่พิษไงมันใครจะตายเนี่ยพิธทีทำมนั่งทับฟ้องอะไอย่านี้เราไปบ่งกับชาเย็นขึ้นมา กิอยกเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาลงง่ายกายมันมีเย็นชาทั้งหมดชาไปทั้งตัวทัว้งหัวทั้งตัวทั้งแขนทั้งขาความเวทนาปวดง่ายไปโดยปฏิยายมีแต่ความรู้ลูลูลูเชออยู่เลนะเห็นน้ำปา่ากนดิบแเล้วกนะินไปเสียกง น, น้ำปากนี้อใจเย็น อาุมณ์น oh ิพพานว่าเป็งที่อางอาณาตานิสมันยุ่งใส่ดท่านทั้งหลายยอดนีหมลกกายกับใจกายกับใจก็คือขันหันขันหันลูกก็เป็นใจก็เป็นนานกายก็เป็นธาตุใจเพรำะั้งพิกมันจิพิกได้เี่ยากายมันเห็นธาตุความน คนใส่ของนอกไม่สั่งมันการณยนิมมัน ก, นกรุณิมได้หรือไม่ได้มันไม่อยู่ใกล้ถ้สูดก็คือสวดลงเข้าอาุ่นเามีในก็คือหายใจออกพระตลอด ม, มันคือองคุธโตคือผู้รู้สิ่งสิตที่อยู่ที่ลงในใจเมื่อดาวลมห้ใจลงในก็เห็นพระรลอด ม, มเห็นพุทธโธขึ้นมา ดับพระสูตรพระมิตรในดวงกเห็นองค์พระปามัทคือพุโทโธเป็นผูลล้รู้รู้รู้ธรทั้งหลายก็ยืด ย, ย่อได้หลูกธรรมนาธรรมนึกเดียวว่าปฏิยัติจริยธรปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็อลมให้ใจพระสูก็คือลมให้ใจขอาะมีแนงที่ลมให้แนงออกพระอาลมัคือองค์พุโทโธอาศาอยัยนลมให้ใจ เขาคิดม่เสียกัลลโอมห้วใหญ่หจึงจะเห็นพุทโธเห็นน้ำป่ากันอยู่พราะวัลลโอมวัดงศาสนาเสห้วยใหญ่กสร็สามเก็ถ่าว่าพุทโธพุทธก็ว่าพุทโธก็ว่าพุทธศาสตร์แปลว่าตำราศาสนาพุทธศาสนา ต่างใส่หัวใจของคนเป็นศาสนาหรือเป็นตำราที่ว่าด้วยความรู้ความฉลาดเป็นศาสนาของผูรูผู้ฉลาดสอนให้ไปเข้าถึงมั่คผลนิพพานไม่ให้นคนกลับมาเกิดมาเจ็มาตายอีกดับปัจจักสงสารใดดับปัจจัยสงสารใดก็เห็นนิพพานนิพ่านไปอดับสนิ ดับอะไรสนิทพระเจ้ค่ะดับวัตถุทุกสารดับความเบียงเว่ใจเกิดมันเกิดเมื่อไรมันตายเมื่อไรความเบียงเนว่าใเกิดอะไรเบี่ยงเนว่าใจเกิดข้าหน้าข้นมันเกิดยังไงมันตายยังไงตาดึงรูกตาคู่จมูกวิ่งกลเรื่อยคือลูกไปไหลูกเสนกินรถปวดท่ากคือลูกภปหนอกมื่อมันกระทบกัน ลูกกับลกกบกันวิญญาณเกิดขึ้นเขเรียกว่าน้ลกกับน้เกิดแล้วก็ดับเรียกว่าสันห์เกิดเกิดแล้วก็ได้เกิดแล้วก็ดัมุนอยู่เป็นวัฏรงสารพบแล้วพบเราสันหเกิดพบแล้วพบเราพบหมุนอยู่เมื่อใครดับวัฏรสงสารได้ก็เห็นว่ามา ส ว, สว่างไสวผ่องใสเพ้นมานี่นะทำสอนของพระเจา้าทำกิดให้ของแพร่แจ่มใสกิดผ่องแพร่แจ่มใสนั่นแหละคือ อ, รอารมณ์วณ mm. ิพนอารมมุติสุขจะไปหาที่ไหนเอาเอลาละวันนี้สมควรแก่เวลา